แต่ถึงกระนั้นก็ตามพระองค์บอกว่าแม้แต่ทำเรายังให้ละทำตัวนั้นเป็นชื่อของสมถะและวิปัสนาแม้แต่สมถะและวิปัสนาเรายังให้ละคือให้ตัดฉันทราคะในสมถะและวิปัสนาขณะสมถะวิปัสนายังให้ตัดฉันทราคะจะกล่าวไปยายถึงอากุศลธรรมเล่าเนี่ยนะเพราะพระองค์แสดงธรรมที่เปรียบเหมือนทุ่นเหมือนเหมือนแพรเพื่อข้ามฟา ถ้าปริยัติค่อยๆคนก็ไม่เข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าแต่รู้อะไรก็ไม่รู้สอนอะไรก็ไม่รู้สอนให้รู้อะไรก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างเดียวมันก็คนละเรื่องไปแล้วหนักๆเข้าการปฏิบัติก็หมดสภาพไปเพราะตัวเองปฏิบัติเขาบอกว่าเขาเป็นนักปฏิบัติแต่ปฏิบัติของตัวเองเนะบอกปฏิบัติอะไรของพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกหนัก ๆ, ๆเข้าไม่ใช่ตอนแรกอ้างพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆตอนหลังไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วนะ ลองคุยกันสัก2 0 3สนาทีไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนศาสดาไปตั้งนานแล้วนะสังเกตให้ดีๆเละเวลาสนทนาการใครก็ช่างลโดยมากตอนแรกพูดถึงพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆนานๆเข้าเปลี่ยนศาสดาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าพุทธพจน์ผิดอ่ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางคนที่เขานับถือว่าผิดโอ้ยทะเลาะกันเรื่องราวใหญ่โตเลยครัเนี่ยเวรทั้งหลายก็เกิดขึ้นด้วยประการเชนนี้แหละเนี่ยนะ เราบอกไอ้ฟังพูดไม่รู้เรื่องอนะไรเงี้ยคล้ายๆแล้เนี่ยจะตำเหน็จกันในฝ่ายหนึ่งแล้วมันก็เลยกล้าเป็นว่าพระพุทธพระไม่เข้าใจคํำสอนก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าทีนี้ผลของการปฏิบัติในพระาศาสนาก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยนะเพราะพระาศาสนาคือปริยัตจึงเป็นมูลรากของการปฏิบัติและการตรัสรู้ปริยัตอันนั้นแหละที่พระองค์บอกว่านั่นคือาศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเรา ในที่สุดก็บอกว่าอ้าวเมื่อไม่รู้คำสอนไม่อะไรก็ได้ไว่ายพระาธาตุอย่างเดียวแต่ทีนี้พระาธาตุทั้งหลายเมื่อไม่มีการไหวการกราบพระาธาตุทั้งหลายก็ที่ใดมีการเคารพเทวดาก็อัญเชิญไปไหวที่เขาบูชาเขามีเทวดาที่แปดประเภทกลุ่มปกปักรักษาพระาธาตุคอยดูแลไม่ใช่ว่าจะทําลายกันง่ายๆนะทำลายไม่ได้แล้วเขาก็จะคอยดูแลอุปถัมภ์คอยอัญเชิญพระาธาตุไปรวมกันรวมกันรวมกันแล้วพระาธาตุจะค่อยๆรวมกัน วันในอัตกถาพระโหธาตุกะสสตอนุปาตาวัคเนี่ยนะมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตกล่าวว่าเมื่อศาสนาเสื่อมไปแล้วเนี่ยนะาก็จะชุมนุมกันแล้วก็ที่ที่ไหนมีการเคารพก็จะไปชุมนุมกันพูดกันที่ศรีลังกาเนี่ยนะาก็จะมารวมกันที่มหาเจดีมหาเจดีคืออะไรคือสุวรรณมาลิกะเจดีเจดีที่มีช้างล้อมรอบนะนะ จากมหาเจดีก็ไปยังราชายาตนะเจดีในนาคทวีปจากราคะจชาญาตนะเจดีก็ไปที่มหาโพส่วนพระธาตุที่อยู่ประเทศอื่นก็ไปรวมกันที่มหาโพคือที่ไหนที่โพธิคยาหรือที่เรียกว่าพุทธคยาพระธาตุทั้งหลายก็จะไปรวมกันที่นั่นพระธาตุจากนันนาคขภิภพจากเทวโลกจากพรหมโลกพระธาตุจากที่ไหนจากจักรวาลอื่นๆที่เทวดานําเอาไปเส้นพระเกศาอะไรทั้งหมดจะมารวมกันที่นั่น ไม่มีการหายอะไรระหว่างไม่มีในที่สุดเมื่อพระธาตุมารวมกันก็เป็นเหมือนกับแท่งทองคําแปลงรัศมีหกแปลงฉับพันรังสีแล้วก็แผ่แสงสว่างไปหมื่นโลกธาตุเทวดาในหมื่นโลกธาตุก็จะมาประชุมกันคำวันหน้าการุณายิ่งกว่าวันทัพปรินิพานวันปรินิพานนี่ร้องให้กลิง้งเปลือกตอนนั้นก็ยังเหลือพระธรรมยังเหลือคําสอนยังเหลือพระธาตุให้กราบไหวย้ยังเหลือผู้ปฏิบัติแต่บัตรนั้นนี่นไม่มีอะไรละ อันนั้เรียกว่าควรแกร่การสังเวชเลยนะร้องให้เลยกขาบอกวันหน้าสงสารยิ่งกว่าวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเป็นวันที่าศาสนาเสื่อมนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายบอกว่านี้คือการเห็นพระธาตุเป็นครั้งสุดท้ายวันต่อไปาศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมก็เป็นตำนานไปแล้วเป็นพุทธวงศให้พระพุทธเจ้าองค์ข้างข้างต่อต่อไปเนี่ยเล่าถึงเป็นตำนานนะเนี่ยนะก็เป็นตำนานพันก็บอกว่าเทวดาเวน้นพระนาคามีกับพระอรหันต์โดยมาก ไม่มีภาวะปกติไม่มีใจเป็นของตัวเองมีแต่ความมีแต่ความโศกะนะยังเคยเห็นคล้ายๆกับว่าคนที่เคยอยู่บ้านอยู่ช่องเต็มเก็บสมบัติไว้เต็มเสร็จแล้วไฟมันไหมหมดเลยแล้วไม้ทีเหลือแต่ตอหมดเลยเนี่ยจะคิดยังไงอ่ะมันเป็นการสูญเสียที่เรียกว่าเคยเห็นเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหมไหมที่เขาเรียกเขารวบรวมทรัพย์สมบัติเพื่อให้มีเท่านั้นอะ่ะมันแทบจะเพี้ยนไปเลยนะเท่าที่เคยเห็นอ่ะนะ แทบจะเพี้ยนไปเลยทั้งคนที่ถูกบ้านไฟไหม้หรือประสบอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยแทบจะเพี้ยนไปเลยนี่ก็เหมือนกันผู้ที่รู้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้คุณพระรัตนตรัยเนี่ยเขารู้สึกว่าเครียกอะไรมหาวิปโยคเป็นการสูญเสียที่ไม่มีการสูญเสียไหนจะยิ่งใหญ่เทียบเท่าแบบนี้แล้วเนี่ยนะในที่สุดพระธาตุทั้งไฟก็ลุกไหม้พระธาตุพระธาตุแม้เพียงเท่ า, มาเมล็ดพันธุ์กกาด ก็ไม่ดำรงอยู่ไม่เหลือเลยแม้ไม่จนเรียกว่าเป็นผงไปหมดนะนะกลายเป็นกลับไปเป็นอะไรเป็นอะตอมตามเดิมเนี่ยนะก็กลับไปเหลืออะตอมตามเดิมแล้วไม่มีอะไรละในที่สุดเพลิงก็ถ้าพระธาตุยังอยู่ไฟก็ไม่หมดแต่ในที่สุดไฟก็หมดพระธาตุทั้งหลายก็แสดงอนุภาพใหญ่อย่างนี้แล้วปรินิพานศาสนาของพระพุทธเจ้าพระก็ชื่อว่าอันตรฐานแล้วนะ พระพุทธศาสนาก็ชื่อว่าอันตรธานและตอนนี้เนี่ยไปไหลายๆแห่งก็เหมือนกันเนี่ยนะมันก็ไม่อันตรธานมันก็เหมือนกับอันตรธานแล้วละก็เหลือแต่สวดอิติปิโสได้บ้างนะหนักๆเข้าก็ค่อยตัดตอนมาเหลือนิดๆหน่อยๆนะเหลือรัดๆตอนๆพอหนักๆเข้าก็เหลือเป็นพิธีกรรมดีว่าไปแขวนไว้กับงานศพบ้างไปแขวนไว้กับงานนั่นงานนี่มันก็เลยค่อยยังชั่วหน้าก็ยังสืบทอดแต่หนักๆเข้าในที่สุดก็ ไม่เหลือเลยอันตรธานศนู์สลายไปก็เรียกว่าโลกกลับคืนสู่ภาวะปกติภาวะที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็อย่าลืมบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนี่เป็นของยากเนีนะสำหรับวันนี้ก็จบอ่อ มหาปรินิพานเกี่ยวกับเรื่องการปรินิพานของพระพุทธเจา้ามันบุญกุศลเหล่าใดที่บังเกิดขึ้นเพราะจิตใจเลื่อมใสที่มีต่อพรัตนะไตรขอกุศลเหล่านี้ช่วยปกปักรักษาให้เราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตต่ อ, ต, อต่อไปเทอด น, นะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้